อย่าบังคับจิตถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตัวเดียวตามรู้ตามรู้ตามรู้มันไปถ้ามันไปคิดเรื่องการเรื่องงานยิ่งดีทีเนี้ยท่านทั้งหลายสอนกันบอกว่าอย่าให้มันคิดต้องห้ามมันไว้ในเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปเนี่ยมันฟุ้งแน่นอน มันคิดไปมันก็ดีใจไปเสียใจไปเราเอาสติกำหนดตามรู้ไปตามรู้ไปตามรู้ไปเอาตัวรู้ตัวเดียวแล้วเราจะรู้ธรรมะเป็นขั้นตอนพอมันเกิดจะรู้เนี่ยจิตมันจะหยุดคิดนิดหนึง่งพอมันไหวตัวปับ๊บอ๋อความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงาน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 ถ้าไปมัวแต่ให้มันหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยมันไปตามธรรมชาติเวลามันคิดไปคิดไปคิดไปปรุงไปปรุงไปจุดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้ไปไปไปและจิตมันจะนิ่งปับ๊บสว่างแล้วความคิดทั้งหลายมันจะไปวนรอบจิตอยู่เหมือนเหมือนกับแมลงตอมไฟ แต่จิตของเราหาได้วันไหวไหมมถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าภาวนาถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าความคิดก็อันหนึ่งจิตของเราก็อันหนึ่งแยกกันไปคนละส่วนมันกายกับจิตความคิดนี่เป็นเรื่องของกายทีนี้ถ้าจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะไปวนรอบจิตตลอดเวลาแต่จิตของเราไม่หวั่นไหวใช้วิธีนี้เรื่อยๆไปอย่าไปกําหนดหมายว่าเราทําได้อย่างนี้แล้วต้องก้าวขึ้นไปทําขั้นนั้นขั้นขั้นขั้นนั้นอันนี้ใครสอนอย่างนี้ภาวนาไม่เป็นจิตเมื่อมันเป็นสมาธิเองตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีขั้นมีตอนหรอก ขั้นตอนเนี่ยเราเอามานับเอาต่อเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเราระลึกตามนี่อ๋อจิตของเราผ่านนั่นผ่านนั่นผ่านนั่นเรามาคิดเอาตอนเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่จิตเป็นสมาธิอยู่นั้นมันไม่มีขั้นมีตอนอะไรเลย